ข้อความในคัมภีร์พุทธวงศ์เนีมาขึ้นวงของพระโคดมพุทธเจ้ามาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราละถือว่าเป็นพระองค์สุดท้ายในคัมภีร์พุทธวงศ์นะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับคำพ ร, พระประวัติของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตตาญานั้นต้องดูเอาในจักรวติสูตร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 เทวดาทั้งหลายรวมทั้งพรหมเนี่ยบรรลุ18ปโกดเมื่อทรงแสดงธรรมะต่อจากนั้นในสมาคมแห่งเทวดาและมนุษย์อภิสมัยครั้งที่สองก็กล่าวไม่ได้ถึงจำนวนผู้บรรลุะนะแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่พระองค์ทรงแสดงเช่นมหาสมัยสูตรเป็นต้นหรือมงคลสูตรนั้นผู้ตรัสรู้นั้นหาประมาณมิได้ เพราะว่าผู้ที่สั่งสมบุญกุศลบุญวาสนาที่จะได้มาตรัสรู้ในพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเหล่านั้นได้สั่งสมมามากนะท่นถ้าดูจากอัปทานแล้วจะรู้ว่าท่านเหล่านั้นนั้นสั่งสมมาจากพระพุทธเจ้ากัสสปะบ้างสั่งสมมาจากพระพุทธศาสนาะพระพุทธเจ้าโกนาคามนะบ้างสั่งสมบุญกุศลมาจากพระพุทธเจ้ากกุสันทะเป็นต้นถอยหลังมาซึ่งท่านเหล่านั้นก็คู่ควรที่จะได้ตรัสรู้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 คบรรลุเนี่ยหลังจากที่พระองค์ทราบว่าอินทรีย์ของท่านพระราหุลแก่กล้าแล้วคู่ควรที่จะตรัสรู้ได้แล้วพระองค์ก็แสดงธรรมพระราหุลพร้อมทั้ง เ, เทวดาและมนุษย์ตรัสรู้ตามหาประมาณนี้ได้การประชุมสันนิบาตเรียกว่าประชุมอรหันตสาวกของพระองค์ผู้สแสวงหาพระกุณที่ยิ่งใหญ่นั้นเป็นการประชุมพระภิสุจำนวนหนึ่นสองมีแค่ครั้งเดียว ตอนที่พระองค์แสดงโอวาทปาติโมกที่ที่ไหนที่วัดพระเวลวันน่นะที่วัดพระเวลวันแสดงครั้งเดียวมีผู้มีผ้าอรหันตสาวกที่มาประชมุมทำฟังโอวาทปาติโมกนั้นหนึั้ก็คือกลุ่มชชดินสามพี่น้องพร้อมทั้งบริวา 1, พรพันหนึ่งภาษาบุตรและบริวารของท่านอีก250รก็รวมเป็น1ัน0ตัวเลขเนี่ยลดลงกันน่าใจหายแล้วนะ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 เป็นคล้ายๆกับ น, นักท่องเที่ยวนักสแสวงบุญนักจาริกเพื่อบุญเพื่อกุศลมาอย่างง่ายๆกว่าเยอะเพราะท่านเหล่านั้นมาในฐานะของเทวดาท่านจึงไม่ค่อยนิยมมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคนั้นเว้นไว้แต่ว่ากลุ่มชนที่ทําบุญและตั้งความปรารถนาอยากจะช่วยยกพระพุทธศาสนาอยากจะบํารงพระพุทธศาสนาท่านเหล่านี้ท่านจึงลงมากันเช่นอนาถบินทิกานางวิสาขาเป็นต้นเนี่ยนะท่านเหล่านั้นยินดีที่จะ จเจริญกุศลอยู่แล้วท่านเต็มใจท่านมีความสุขที่จะทําอย่างนั้นเนี่ยนะสำหรับผู้ที่มีบุญแล้วท่านเลือกเกิดได้นะท่านเลือกที่จะเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เหมือนอย่างว่าเศรษฐีผู้มีทรัพย์สามารถที่จะเลือกบ้านเรือนอยู่ที่ไหนก็ได้ว่างั้นฉันใดผู้ที่สั่งสมบุญมาเพียงพอสามารถที่จะเลือกสถานที่เกิดได้ชั้นนั้นเนี่ยนะ พระองค์ตรัสเล่าถึงพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ไร้มนทินปราศจากความเศร้าหมองด้วยราคะโทสะและโมหะรุง่งเรืองอยู่ท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์สาวกขณะเดียวกันพระองค์ก็สามารถให้ทุกอย่างที่สาวกปรารถนาพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ให้สมความปรารถนาแก่สาวกทั้งปวงเหมือนแก้วจินดามณีอันให้ทุกอย่างตามที่ทผู้ขอต้องการ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 ผู้ประสงค์จะละฉันทราคะในภพบะนะถ้าหากว่าผู้ใดมีวิปัสนาแก่กล้าคู่ควรที่จะตัดอาลัยในภพพระองค์ก็จะประกาศอริยมรรควิธีตัดฉันทราคะในภพให้แก่เขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นทำมาพิสมัยแต่ละครั้งนั้นได้มีแก่สัตว์บางครั้งหมืนหนึ่งสองมืนอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมของสัตว์เขาไม่นับจานวนด้วยหนึ่งคนหรือสองคน อย่างยกตัวอย่างไหมบรรลุหนึ่งรูปสองรูปไปสแสดงตรงนั้นบรรลุรูปนึ่ปริมาณจำนวนแล้วไม่มากถือว่าน้อยโดยมากบรรลุทีละเยอะๆนะโดยมากนะอย่างถ้าใครอ่านธรรมบทบรรลุที8ป0 0มื่นพดพันบรรลุจำนวนมากเป็นต้นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยสังสมบุญมามากพัทกับเป็นกับที่เจริญกับที่พระพุทธเจ้าอนนะเกิดขึ้นหลายองค์ พันพระองค์ทอดสะพานที่จะบรรลุมรคผลเอาไว้ให้แก่สรรพสัตว์นี้เยอะเพียงแต่ว่าตั้งเจตจํานงที่จะเดินตามสะพานคือมรขาที่พระองค์ได้แนะนําเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพระองค์รับผิดชอบเรียว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รับผิดชอบในพระพุทธศาสนาทั้งหมดอยู่แล้วขอให้เจริญตามเดินตามปฏิบัติตามทำที่สุดแห่งทุกได้แน่นอนน ะ, นะพระองค์ยืนยันเลยขอให้ได้ทําตามอย่างที่พระองค์บอกเถอะ มันถ้าทำตามอย่างที่พระองค์บอกก็มีทางเดียวว่าบรรลุแน่นอนแต่เมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งนะหมายถึงว่าถ้าเดินทางถูกเนี่ยนะก้าหนึ่งก้าก็ใกล้เข้ามาแต่9ก้าได้19ก้าก็ใกล้เข้าไปอีก9ก้าได้ร้อยเก้าหหรือว่าวิ่งไปได้ร้0ยกิโลพันกิโลมันก็ใกล้เข้าไปถึงเพราะเป็นเส้นทางที่ ถูกต้องฉันใดถ้าหากว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อตรัสรูม้มรรคผลถ้ายังดำเนินตามมรคาปฏิปทาอาริยมรรคตามที่พระองค์บอกกล่าวถึงไม่ตรัสรู้วันนี้ต่อต่อไปบุญวาสนาที่สั่งสมก็จะเป็นปัจจัยให้ได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตพันที่สำคัญที่สุดก็คือการสำรวจตรวจตราดูเส้นทางว่ายังอยู่ในเส้นทางมรคาปฏิปทาที่พระองค์แนะนาหรือไม่ถ้าเป็นไปตาม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 แต่ว่าโดยมากเนี่ยนะปัญจามาเตหิพิกุสเตหิก็คือประมาณห้าร้อยน่นเเสร็จแล้วพระองค์ก็เล่าอีกว่าบัดนี้เดี๋ยวนี้พิกษุเหล่าใดละพบมนุษย์พิกษุเหล่านั้นยังเป็นเสขะถ้าหากว่ายังไม่บรรลุพระอรหัสต์วินยูชนก็ตีเตียนมีอยู่ครั้งหนึ่งพระนาคามีรูปหนึ่งท่านบอกว่าโอ้แค่นี้ก็พอแล้วยังไงท่านก็บรุแ น, น่นอนแล้วใ น, ในสุทาวาส ท่านก็ไม่น้อมขวนขวายที่จะเป็นผ้ารหันพระองค์ก็มาตาหนิเนี่ยนะว่าแม้พบถ้ายังมีจํานวนน้อยพระองค์ก็ไม่ยกย่องเช่นกับอุจจาระถึงจะมีน้อยก็มีกลิ่นเหมน็นนั้นพระองค์จึงไม่สรรเสริญพบโดยประการใดๆนะนรชนผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏผู้ยินดีในธรรมทุกเมื่อเมื่อชมเชยอริยมรุ่งเรืองอยู่ก็จักตรัสรู้นะถ้าหากว่าชมอริยมรัก อารยมรรคที่ถูกต้องตรัสรู้แน่นอนนะนะตรงนี้ยืนยันบอกว่าชมเชยอริยมรรคที่รุ่งเรืองอยู่เนี่ยตรัสรู้ก็จักตรัสรูแ้แปลว่าอนาคตจักได้ตรัสรู้เนี่ยนะแต่อย่าลืมว่าอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปลสัมมาทิฏฐิรู้อริยสัจสีสัมมาสังกรประกุศลสังกรประสามสัมมาวาจาเว้นจากวาจีทุทุจริตดสามสัมมากรรมันต่าเว้นจากกายทุจริตดสามสัมมาอาชีวะก็คืออาชีพที่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 พระพุทธบิดาของเราชื่อว่าพระเจ้าสุโธธนะทชนนีพุทธมานดาพระนางมายาเทวีเราครองคารวะวิสัยอยู่29ปีมีปราสาทอยู่สามหลังสุจันทโกกนุทะและโกนจะมีสนมกำนันที่แต่งกายงามประมาณสี่หมืนนางอัครมเหสีนามว่าญโสธราโอรสนามว่าพระราหุล เราเห็นนิมิสีออกอภิเนศกรมด้วยยานคือมา้าทำความเพียรประพฤตทธธุกขะรกิริยาธรรมในสิ่งที่ทำได้ยาก6กปีเรา ช, ชินะโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศ ธ, ธรรมจักณนะป่าอิสิปตนะไมคธายวันนะกรุงพารณสีเรานั้นเป็นสารณะของสัตว์ทั้งปวงนะเป็นที่พึ่งนะเป็นที่ตั้งให้สัตว์ทั้งหลายกล่าวว่าพุทธังสรารนังขะฉามิ เรามีคู่อักขระสาวกชื่อว่าโกริตะและอุปติสะมีพุทเอุปถาประจําสํานักชื่อว่าพระอานันทะหรือพระ อ, อนนท์เรามีภิกษุณีอักขระสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและอุบลวานามีอักขระอุปถาชื่อว่าจิตตะและหัตถะอละวะกะอักขระอุปถายิกาชื่อว่านันธมาตาและอุตราเราบรรลุสมโพธิยานอันอุดมณโคนโพพฤกชื่อต้นอสัต tha เรานั้นมีรัศมีโดยปกติวาหนึ่งร่างกายนั้นสูงส6บศอกอายุของเราในบัดนี้น้อยร้อยปีเราดำรงชนอยู่ถึงเพียงนั้นก็อยู่ไม่เกินร้อยปีว่า ง, งั้นก็เตียงอยู่แปดปีเนี่ยนะก็ยังหมูชนเป็นนั้นมากให้ข้ามโอกคถึง45หปีของพระองค์ก็ไม่เปล่าประโยชน์45หปีแห่งการช่วยเหลือสรรพสัตว์เนี่ยนะที่ดูนะตั้งความปรารถนาะมาสีอสงไขยเศสนกับ มัมเพนพุทธกิจอยู่45ปีแล้วตั้งศาสนาให้แผ่รุ่งเรืองเนี่ยนะประมาณ 5,000 ปีเนี่ยนะถ้ากล่าวตามอาัตกถาบอกว่าพระศาสนารุ่งเรืองอยู่ประมาณ 5,000 ปีพันพระองค์ก็ตั้งคบเพลิงคือทาเปรียบเหมือนตั้งแสงสว่างนะปลุกหมู่ชนที่เกิดมาในภายหลังให้ตื่นรู้อรยิยสัจต่อไปอีกไม่นานนักนะแม้เรา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 การรวบขออภัยการรวบรวมธรรมะสโมโอทานแปดประการเนี่ยนะการรวบรวมธรรมะ ส, สโมโอทานแปดประการที่จะได้รับคําพยากรณ์นั้นที่สําคัญก็คืออะไรบ้างมนุษย์ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะต้องต้องเป็นมนุษย์แบ่งอย่างนี้นะว่าความปรารถนาของพระโพธิสัตว์ที่จะได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเนี่ยผู้ที่ปรารถนาแล้วสําเร็จจริงอะ่ะต้องมีองค์ประกอบอยู่ในแปะอยู่ในตัวแปประการ องค์ประกอบในตัว8ประการมีอะไรบ้าง 1. มนุษย์มนุษย์สัตว์ความเป็นมนุษย์เล็งคสัมปติมีเพศ ช, ชายสาเหตุมีอุปนิสัยสมบัติชาตินั้นเป็นผ้ารหันได้ 4. สีสัทธารัศนังพบพระพุทธเจ้าขณะที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่ 5. ปัตพ ะ, ะชาต้องเป็นนักบวชอาจจะเป็นดาบวบดหรือพิสูจน์ก็ได้ 6. มีคุณสมบัติคืออภินสมาบัติ8และ อภินยาห้าเจดอธิการสา ม, มารถที่จะสละชีวิตเป็นพุทธบูชาได้ 8. ฉชันตตามีชันทะมีอุตสาหะในการบำเพ็ญพุทธกุศกธรรมมีใจยินดีที่จะสร้างบารมียางแรงกล้าผู้ที่มีองค์ประกอบ8ประการนี่แหละจึงจะตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สำเร็จมันอภินิหาร การตั้งความปรารถนาแทบเบื้องบาตร ท, ทัตีปังกรพุทธเจ้าแล้วทาาวําอุตสาหว่าคือหมายก็ว่าพอได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําความภาคเพียรพยายามว่าเราจะเลือกเฟ้นพุทธกัลกะทำอย่างนู้นอย่างนี้แสดงไว้อีกว่าครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็ได้เห็นฐานบารมีเป็น อันดับแรกเนี่ยนะก็เลือกเฟ้นเห็นทานนะบารมีศีลบารมีเนคข ม, มปัญญาวิรยิยะขันติสาจาัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขา น, นะบารมีสิบอุป ป, ปารมีสิบปรมาถบารมีสิบเสร็จแล้วก็สมาทานอธิษฐานในการสร้างบารมีจนแผ่นดินไหวนะแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติตามบารมีที่พระองค์ได้สมาทานอธิษฐานเหล่านั้นเรื่อยมาตราบจนถึงเกิดชาติที่เป็นพระเวสสันดร และเมื่อมาถึงก็ประสบอานิสงส์แห่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ทำอภินิหารไปแล้วหมายคาอว่าระหว่างที่ได้รับพุทธพยากรณ์นนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นต้นมาจะมีอานิสงส์อนะอานิสงส์ก็คือกาไรนะมีอานิสงส์หรือกำไรหรือว่าผลประโยชน์ที่ได้รับเพราะได้รับคำพยากรณ์มีสิบแปดประการ ท่านจึงสรรเสริญไว้ว่าพระนิยตโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้แน่นอนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยองค์คุณครบถ้วนอย่างนี้หมายว่าถ้าได้ประชมองค์8 ป, ประการอธิษฐานในการสร้างบารมีเนี่ยนะถึงจะท่องเที่ยวไปในสังสารวัตตลอดกาลยาวนานนับร้อยโกดกับก็าตามก็ไม่เกิดในอเวจีมหานรกเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ตกนรกนะตกแต่ว่าไม่ถึงขนาดอเวจีเมัน ต่อไปไม่เกิดในโลกาตนรกไม่เกิดเป็นนิชามะตันฮิกะเปรตคุปปีปาสิกเปรตก็คือเปรตกลุ่มตระกูลอดอยากหิ้วห้ยเป็นต้นเนี่ยไม่มีกาลกาละ เ, เขากาลกันชิกาโูนโซนที่กลุ่มอสูร ก, กายก็กลุ่มเปรตนะ น, นะหรือถึงจะเข้าถึงทุกขติก็ไม่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก เล็กกว่านายเล็กกว่านกคุ้มเนี่ยนกคุมหรือนกคุ้มเนี่ยนะไม่ไม่เล็กกว่านั้นแล้วหรือนกกระจาบน น, นแล้วก็ไม่เกิดโตเกินกว่าช้างว่านั้นนะถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เป็นคนต า, าบอดมาแต่กําเนิดไม่เกิดมาตาพิการมาเลยไม่แต่ถ้าแก่ชราแล้วตาเสียนี่มีแต่หมายความว่าอ่าพิการมาตั้งแต่เกิดไม่มีถึงโสดก็ไม่วิการบกพร่องไม่ใช่หูหนวกหูเสียมาตั้งแต่เด็กเลยนะ ไม่เป็นคนประเภทใบ่ไม่เป็นสตรีไม่เป็นคนสองเพศแล้วก็ไม่เป็นบัณฑดอคือไม่เป็นกระเทออยนะพระนิยตโพธิสัตว์นั้นไม่เป็นผู้นับเนื่องดังกล่าวเพราะฉะนั้นท่านเกิดมานั้น้นท่านพ้นจากอนันตเรียกรรมท่านไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำเลือดพระพุทธเจ้าให้ห่อทำสังกเพศถึงบวชมาท่านก็ไม่ทำสังกเพศ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 ถึงบางพบบางชาติท่านไปเป็นไปคิดแบบเขาแต่ในที่สุดท่านก็เลิกราพระโพธิสัตว์ก็เลิกราจากกลุ่มลัทธิมิจฉาทิฐิเหล่านั้นเพราะเป็นผู้มีปกติเห็นว่ากรรมที่ทำแล้วเนี่ยมีผลผลแห่งบุญแห่งบาปมีอยู่ผลแห่งดีแห่งชั่วมีอยู่วิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่ น, นะ น, นะเพราะฉะนั้นท่านจึงมีกรร ม, มสกตาปัญญา ถึงจะเกิดในสุขติโลกสวรรค์ก็ไม่เข้าถึงอสัญญอาอสัญีภพเนี่ยนะพรหมที่มีแต่รูปไม่มีจิตเนีย่ยนะและไม่มีเหตุที่จะให้เกิดในเทพชั้นสุดธาวาสเพราะอะไรเพราะท่านไม่ใช่สาวกที่จะเป็นอนาคามีแล้วเกิดในอวิหาอตปาสุทธสาสุทธศีอกนิษฐาเพราะนั้นจึงไม่มีเหตุให้เกิดในในเทพชั้นสุดทาวาสโดยปกติพื้นเพนิสัยเป็นผู้น้อมไปใน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 พระพุทธเจ้าดังที่เทวดาเข้าไปอาราธนาบอกว่าพระองค์สร้างบารมีก็ไม่ได้สร้างเพื่อให้เกิดเป็นธาจักรพัสสมบัติเป็นเท้าสักกะเป็นมารหรือเป็นพรหมแต่ที่แท้แล้วพระองค์สร้างบารมีมาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้ได้การสมควรที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะฉะนนั้พระองค์นั้นโดยรวมแล้วไม่มีใจเรียกว่าเกาะเกี่ยวในภพต่างๆเพราะฉะนั้นเกิดพบใดก็บำเพ็ญแต่โลกาธิจริยาทั้งหลาย ประพฤตสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่โลกเสมออันนี้โดยปกติองค์รวมของท่านคือเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อเป็นบิดาของสัตว์โลกเนี่ยนะเป็นบิดาของสัตว์โลกทำกิจที่มองเห็นสัตว์โลกทั้งปวนเป็นบุตรของพระองค์มีตรงไหนที่จะช่วยเหลือเขาได้ตรงไหนที่จะอนุเคราะห์ตรงไหนที่จะสงเคราะห์อะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เขาอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้แก่เขาอะไรจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โลกหน้าแก่สรรพสัตว์อะไรจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ อย่างยิ่งแกสรรพสัตว์มัท่านประพฤติแกข้อปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แกโลกทั้งปวงและบำเพ็ญบารมีในที่ทั้งปวงมีที่ไหนมั่งที่ท่านไม่สร้างบารมีได้เนี่ยนะเป็นเดรัจฉานท่านก็สร้างบารมีเป็นเป็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็นับเนื่องนะไม่ในหนึ่งชาติเนี่ยท่านต้องไล่บารมีอย่างน้อยหนึ่งข้ออาจจะได้มากกว่านั้นไม่นับแต่ว่าเอว่าอย่างน้อย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 แผ่นดินปตัตพีนี้ไม่มีใจแผ่นดินปตัตพีนี้ไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์มหาปตัตพีนั้นก็หวั่นไหวถึงเจ็ครั้งเพราะกําลังแห่งทานของเรานะอันนี้แหละที่พระองค์บอกไว้อ้างกับพญามารว่าพระองค์ได้สร้างบารมีมาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงคู่ควรแกโ่โพธิบัลลังคู่ควรแก่ท่านวัชระอาจเพราะอะไรเพราะพระองค์ให้ทานแผ่นดินไม่มีใจแผ่นดินยังหวั่นไหวถึงเจ็ครั้งเพราะเขาก็เลยบอกเอาแผ่นดินนี้เป็นประยาน แล้วก็แผ่นดินก็ได้หวั่นไหวจริงๆในตอนที่พระองค์ก่อนจะตรัสรู้แผ่นดินก็ไหวพญามารก็หนีไปหลังจากที่ให้ทานเช่นกับพระเวสสันดรไม่ใช่ไม่ใช่เช่นให้ชาติที่เป็นพระเวสสันดรสร้างบารมีเสร็จเนี่ยนะตอนที่เท้าสักกะแปลงเพศมาขอผนางมัสยิเนี่ยนะซึ่งพระโพธิสัตว์ก็เต็มใจให้เป็นอย่างยิ่งเมื่อยกพนางมสัสยให้แล้วเนี่ยนะท้าสกกะก็ให้พร พรของท่านในหลายข้อโดยเฉพาะข้อท้ายๆบอกว่าขอให้ได้กลับไปสู่เมืองกลับไปสู่เมืองศรีพีเนี่ยนะเมื่อไปสู่เมืองศรีพีแล้วก็ได้ให้ทานจนตลอดสิ้นอายุว่างั้นเถะจุติจากชาตินี้แล้วขอให้เกิดในดุสิตจุติจากดุสิตขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งท้าวส ก, กา่าก็ให้พรที่ให้พรนี้เพราะอะไรเพราะบารมีของพระโพธิสัตว์เต็มสมควรที่จะได้ตรัสรู้เป็น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 ก็ไม่คู่ควรที่จะเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นจะต้องเป็นพระโพธิสัตว์ที่ไม่มีอิสาฤษยาอยู่ในใจไม่มีมัฉริยะอยู่ในใจไม่ตาร้อนเห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยนะและก็ไม่ตรนีคุณไว้แต่เพียงผู้เดียวพั้นจะช่วยเขาได้ตรงไหนอะไรอย่างไรฉะนั้นจึงไม่อาลัยอาวร์นั้นเรียกว่าบารมีเต็มเปี่ยมพอที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์กําลังอยู่ในภพชั้นดุสิตนั่นแหละ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 จักระวติโกลาหล์นเนี่ยนะคือเรื่อความอุรังวียือ่าความอุรเวงโกลาหล์นน้องๆ จ, ะจะระชนั่นแหละว่างั้นเถอะเช่นถ้าหากว่ากลับโกลาหล์นก็จะมีเทวดาชั้นกามาวจรเชื่อว่าโลกกระยุหะพวกเทวดาเหล่านี้เนี่ยมีญาณอย่างรู้ว่าข้างหน้าอีกต่อไปอีกประมาณแสนปีเนี่ยนะกลับโกลาห์นจะเกิดขึ้นนะโกลาหล์นคือเรื่ากลับทําลายแน่นอน เทวดาเหล่านี้ก็จะปล่อยผมสยายร้องให้เอามือเนี่ยนะฟายน้าตาเรียกว่าเช็ดน้ำตาอาบแข้มนุ่งผ้าแดงทรงเพศแปลกๆอย่างยิ่งเทวดาเหล่านี้เนี่ยก็จะเที่ยวไปในถิ่นมนุษย์ร้องหมร้องให้บอกข่าวว่าดูก่อนท่านผู้นิรุกข์ทั้งหลายล่วงไปอีกแสนปีนับจังแต่วันนี้ไปกลับจัดตั้งขึ้นโลกนี้จะพิณัดอีกแสนปีโลกพิณัดเหมนแม้มหาสมุทร ทะเลก็จะเหือดแห้งมาหาปตพีแผ่นดินนี้และขุนเขาสีในรุกก็จะโมดไหมพินาตไปความพินาจักมีจนถึงพรหมโลกนูนะ้นแหะถึงท่าไหนบางครั้งก็ถึงพัสราพรมเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นดูก่อนท่านผู้นิรุุกพวกท่านจงเจริญเมตตากันนะเจริญกรุณาเจริญมุทิตาเจริญอุเบกขาเพราะท่านจงบำรงมารดาบำรุงบิดา เป็นผู้ยำเกรงในผู้ใหญ่ในตระกูลดังนี้เนี่ยอันนี้เรียกว่ากลับโกลาหนเพราะว่าได้เกิดโกลาหนขึ้นในระหว่างนั้นเนี่ยนะก็พรหมทเทว่าโลกมันจะไหม้ไหม้ตั้งแต่โลกจนถึงพรหมโลกถึงชั้นอภัสราพรหมเนี่ยถ้ากลับที่สุดถูกไฟไหม้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกเราเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็จะทําบุญกันทําบุญกันเนี่ยนะพวกที่ปกติแล้วเกิดด้วยอาเหตุกะเกิดด้วยทวิเหตุกะ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 อันนะั้อาราธนาพระโพธิสัตว์ให้มาเกิดพวกเทวดาก็ทราบเทวดาบางพวกโดยปกติก็จะทราบว่าผ่านไปอีร้อยปีจะมีพระเจ้าจากักรพรรดิเกิดขึ้นอันนะั้เทวดาเหล่านี้ก็จะเที่ยวโฆษณาว่าท่านผูดในรทุกข์นับตั้งแต่นี้ล่วงไปร้อยปีจะเกิดจกักรพรรดิราชขึ้นดังนี้อันนี้ชื่อว่าจากักรวติโกลาหน์นบรรดาโกลาห์นสมอย่างนั้นพุทธกโกลาห์นก่อนอันนะั้เพราะเราต้องการจะพูดถึงพระพุทธเจ้า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 นะองคไหนที่มีรัศมีโดดเด่นกว่าเพื่อนในดุสิตเนี่ยนะองนั้นแหละจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ไปเห็นใครเสตุเกตเทพบุตรหรือที่เราเรียกกันว่าสันดุสิตเทพบุตรอีกเชิดหนอึง่งเรียกว่าเสตุเกตหรือว่าสันดุสิตเทพบุตรนั่นแหละเสร็จแล้วก็เข้าไปเข้าไปหาไปอ้อนวอนไปขอร้องไปอาราธนาเมื่อจะอ้อนวอน ก็จะอ้อนวอนเมื่อปุพภนิมิตของสัตว์นั้นเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ารีบไปถึงก็ไปขอเลยนะท่านรีบตายเถอะถ้าเกิดเป็นมนุษย์เร็วจะได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าไม่เทวดาเรล่านี้คอยหาโอกาสเมื่อใดนะดอกไม้ท่านจะเหี่ยวก็ต้องรอดูบุพภนิมิตเช่นหนึ่งดอกไม้เหี่ยวผิวพันธุ์เศร้าหมองบ้างเงื่อออกรักแร้ไม่ยินดีในทิพอาดนีนะแล้วก็ดูว่าความชราเนี่ยปรากฏ ก็เลยได้เวลาแล้ะได้เวลาที่ไปขอร้องเพราะยังไงท่านก็ตายแนย่แต่ระดับพระโพ ธ, ธิสัตว์บอกตรงๆว่าท่านเลือกเกิดได้ท่านจะขึ้นไปหรือลงนะระบบขึ้นลงขึ้นลงอีกร้อยล้านรอบท่านก็ทำได้เพราะฉะนั้นไอระหว่างเนี่ยถามว่าก่อนที่ท่านจะนจะย้ายเนี่ยจะย้ายไปไหนอ่างนั้นท่านก็เลยเวลาได้เวลาที่สมควรไปอาราธนา